ตรงแล้วหรื อ, อยังนี่ก็ต้องพิสูจน์อีกทีหนึ่งจิตจะตั้งตรงได้ก็เพราะอาศัย ส, ยสยติอ <c oughs> <c oughs> าศัยสติเข้าไปควบคุม <c oughs>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 มันก็จะส่งไปข้างนอกนู่นมันเป็นอย่างนั้นธรรมดาของมันแม้แต่นอนหลับไปมันก็ยังฝันไปมันฝันไปมันคิดไปแต่ว่มันไม่มีสติควบคุมมันจึงฝันไปสารพัดสารเพใจยึดถืออารมณ์ไว้ใดไว้มันก็ฝันเป็นภาพในอารมณ์นั้นละไป <c oughs> อย่าว่าอย่าว่าแต่ตื่นอยู่เลยแม่แต่นอนหลับไปมันก็ยังคิดจิตนี้นะเพราะฉะนั้นเนะ่ะเราจึงต้องมาฝึกมันให้มันส ง, งบลงให้มันหยุดคิด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 ยังเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่หมายถึงอารวงจิตนั่นแหละก็ยังเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่คนไม่ตื่นตัวกันนี่เนี่ยส่วนมากนะนึกว่าตนมีอิสระเสรีอยู่เต็มที่มันจะมีอิสระเสรี อย่างไรโลกนี้ทั้งภายนอกภายในอะ่ะไม่มีดอกภายนอกอย่างนี้ก็ต้องมีกฎกฎหมายครอบคุมอยู่ตลอดเลยะ่ะถ้าใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับกลุ้มฟ้องร้อง ผิดจริงก็ติดคุกติดตารางไปหม่นั่นนะมันจะมีอิสระโดยชอบใจได้อย่างไรอะเพราะโลกอันนี้มันมีกฎเกณฑ์อยู่แม้จิตใจก็เหมือนกันนะมันมีอิสระอยู่ได้ที่ไหนอะ่ะเจินอยากพ้นทุกข์อย่างนี้นะ แต่ไม่พ้นสักทีเพราะกิเลสมันหน่วงไว้กิเลสมันครอบคุมอยู่จะหนีออกจากทุกข์ก็หนีไม่ได้ <c oughs> เหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองมันครอบคุมประชาชนแต่ละประเทศอยู่นั่นแหละ อันที่ว่ามันแตกต่างกันว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันควบคุมหรือว่ามันจูงจิตจูงใจให้ไปทําความชั่วมากกว่าทําความดีเนี่ยแตกต่างกันตรงนี้อันกฎหมายจะบังคับให้คนทําดีแบบนี้กิเลสตัณหามันบังคับให้คนทําชั่วอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นตรง ผู้ใดตื่นตัวได้อย่างนี้แล้วว่าตนเป็น่าตแห่งกิเลสตัณหาผู้นั้นน่ะก็จะไม่ประมาทในการทำความเพียรหาเพียรพยายามะจัดกิเลสตัณหานั่นให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้ <c oughs>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 เวลาใดกิเลสมันก็ลุกขึ้นเวลานั้นออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะเมื่อทำจิตให้สงบลงไปแล้วก็อย่านิ่งอยู่เฉยๆแต่ทีแรกมันก็ต้องทำจิตให้สงบก่อนนั่นแหละเมื่อจิตสงบไปพอสมควรแน่ใจว่าจิตตั้งมั่นโดยดีแล้วเช่นนี้ก็เริ่ม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 ถึงมีก็เรียวกว่าเป็นปัญญาโลกีปัญญาหมุนไปตามโลกสุดแล้วแต่โลกเขาจะนําไปอย่างไรก็ไปตามนั้นอันนี้เรียวกว่าเป็นปัญญาโลกีเราจะมาบําเพ็ญแต่ปัญญาโลกีอย่อยางนี้มันไม่ไหวมันไม่พ้นทุกข์ได้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 อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยตกแต่งขึ้น mm hmm. แล้วเมื่อเราวิตกขึ้นมาอย่างนี้้ว <c oughs> ปัญญานนเนี่ยแหละมันก็จะชี้แจงให้จิตใจได้ทราบ mm hmm. ชาติความเกิดก็ได้แก่ขันห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมา เอเทมันจะมีชาติความเกิดก็เพราะมันจิตใจนี่เนี่ยมันมีอวิชชาตัญหาหุ่มห่ออยู่เมื่ออวิชชาตันหานี้มันหุ่มห่ออยู่แล้วมันก็เสวงหาที่เกิดกันเนปะ็นยาง้นมานี้ถ้าหาว่าผู้ใดได้บำเพ็ญบุญกุศล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 ว่าความประพฤติที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันประพฤติไปในทางเป็นโทษหรือทางเป็นคุณอย่างนี้นะก็ต้องกำหนดรู้ว่าดูว่าตัญหานี่มันสักจะจูงใจให้ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางที่เป็นโทษ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 หาทรัพย์สินเงินทองได้มาแล้วเราก็อนุเคราะห์หรือว่ า, อาตอบบุญแทนคุนท่านผู้มีอุป ก, การะคุณทั้งหลายดังกล่าวมานั้นนับแต่มารดาบิดาเป็นต้นไปนั่นไอเรื่องของปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องคิดทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นั้น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 สัรหาความอยากอันนี้หากมีปัญญาควบคุมแล้วมันก็จะดำเนินกายวาจาใจนี้ไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนั่นแหละเช่นควบคุมให้จิตใจนี้มันจเจริญเมตตาการุณาทุกวันทุกคืนไป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 เมื่อติดแล้วซ่องเสบน้อยไม่ได้ต้องเอามองมากเมื่อเอามากเข้าไปแล้วฤทธิ์ของเมาต่างๆแล้วนี่มันก็ไปทำลายอวัยวะภายในให้เสื่อมโทรมลงไปนั่นบุคคลผู้นี่เรียกว่าเป็นผู้แสวงหาความทุกข์ใส่ตัวเองไม่ใช่แสวงหาความสุขทางกายให้แกต่ตน อย่าู้ต้องการความสุขทางกายอย่างว่านี่ของสิ่งใดมันแสลงมันจะทำลายสุขภาพของร่างกายก็อย่าทร้องเสพมันนี่อย่าบริโภคมั น, นเช่นอาหารบางอย่างซึ่งมันแสงลงโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นะนนก็อย่าไปรับประทานมันเลยอดกั้นทนทานต่อความอยากให้ได้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 เหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกต่างๆเนั้นนะ่ะถ้าใช้งานมันเกินขอบเขตแล้วมันก็ชำรุดเร็วอย่างนั้นนะ่ะร่างกายนี่ก็เหมือนกันนะ่ะถ้าหากว่าเกียดคล้านเกินประมาณไม่ทำการงานอันหนักหนากลัวแต่เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ไม่ดีเหมือนกัน ไม่ออกกำลังกายร่างกายนี่มันก็อ่อนเพลียสุดโทมลงไปได้เหมือนกันแต่ถ้าถ้าทำการงานเกินขอบเขตมันก็สุดโมได้เหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นละ่ะก็ต้องเดินทางสายกลางแหะความผ่อพืชทางกายนี่ก็ดีทีนี้เมื่อบำรุงสุขภาพทางกายให้เป็นปกติดีแล้วอย่างนี้ล้วก็ อาศัยกายนี่แหละมา น, นี่มาฝึกผนอบรมจิตโดยการนั่งสมาธิภาวนานี่นั่งกายให้ตรงดำรงสติให้เฉพาะหน้าเลยหมายความว่าสติไม่ระลึกไปที่อื่นระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่โดยเฉพาะเลย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 ในเมื่อตนก็ยังทำไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะไปช่วยผู้อื่นได้อย่างไร <c oughs> อันนี้แหละควรคิดกัน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ชักจูงผู้อื่นให้ละชั่วทำดีได้ตนก็ต้องเพียรพยายามละชั่วทำดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนเสียก่อน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 แล้วมันก็สามารถแนะนำชักจูงผู้อื่นให้ลงมือประพฤติปฏิบัติทมเพื่อให้มันหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นได้นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าก่อนที่จะเมตตาผู้อื่นได้มันต้องเมตตาตนสะกก่อนเมื่อตนดับทุกข์ได้แล้ว ก็จิงสอนให้ผู้อื่นดับทุกตามนี่การดับทุกมันก็เรียกว่าดับมาเป็นขั้นๆดังที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วบ่อยๆ อ, อยู่นั่นแหละดับทุกขที่จะพาไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่นี่เบื้องต้นทีเดียวเลยแหละหรือว่าดับเหตุก็ว่าได้ดับเหตุแห่งทุกที่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 ชิบหายไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเพราะว่าของเรานี่มีแต่มึนแต่เมาอยู่อย่างนั้นไม่มีสติปัญญาอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> นี่แหละคำว่าดับเหตุแทงทุกข์อย่างหยาบก็ดับตัญหาประเภทเหล่านี้เองเนี่ย ถ้าว่าผูใ้ใดดับตัณหาดับเพตุแห่งทุกอย่างงับนี่ได้แล้วมันก็ยังเหลืออยู่เหตุแห่งทุกอย่างกลางคือนิวรห้าอันนี้ทุกคนต้องเพียรพยายามละนิวรณ์ห้านี้ให้ได้อย่าให้นิวรณ์ห้านี้ครอบงำกายครอบงำจิตใจของตนเอง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 ไม่สามารถจะหักข้ามจิตใจตัวเองได้เลยนี่เดี๋ยวใจมันอ่อนแอไปอย่างนี้แหละแล้วมังก็ใจก็น้อมไปในทางที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ดังกล่าวมานั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจ